ทีนี้ถามว่าเมื่อมีชีวิตแล้วมันต้องขยับเขยเื้อนเคลื่อนไหวทางกายแล้วก็พูดได้เดินนะนะก็เป็นกายวิญญาต์และววจีวิญญาต์เนี่ยไอช่องตาช่องระหว่างช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องคออันนี้ก็เป็นอากาศสัธาต์นี่ในร่างกายมีน้ําอยู่เจ็เปอร์เซนตะนะอันนั้นก็เป็นอาโปธาต์เสร็จแล้วเอาทําไมลูกเหินเดินเป็นต้นได้ก็เพราะมีความเบาความอ่อนความควรแก่การงานของรูป แล้วรูปไม่ ม, ม, มีมีการเติบโตขึ้นมาไหมก็มีอุปจยะสืบต่อกันมาสัน ต, ติแล้วก็แก่แล้วก็วอันนี้จตาไม่เที่ยงอะ น, นะก่อเกิดสืบต่อแก่ตายยังไงมันก็อยู่ด้วยคำข้าวไม่ต้องกินข้าวว่างั้นนะเรียก ว, ว่าโอชามันก็มีเท่านี้รูปยี่สิบแดเนี่ยนะคือคือถ้าถ้าคิดให้ไม่ยากเนี่ยนะจริงๆแล้วเรียนเรื่องรูปมันก็ไม่ได้ยากเรีนอะไรหรอกเนี่ยนะค่อยๆคิดตามทวารไปเนี่ยนะ แต่ถ้าคิดให้มันซับซ้อนคิดให้มันสับนนนสบนโอ๊ยอปกติก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าใจอยู่แล้วด้วยก็เลยเออยากเหลือเกินจริงแล้วคิดง่ายๆเลยนะแบ่งตามทวารสิเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายอ่าแล้วใช่ไหมถ้าลืมตาเห็นอะไรสีได้ยินเสียงรู้กลิ่นก็เป็นกลิ่นไอ้ที่รู้เป็นรสไอ้ที่รับกระทบก็เป็นโตภตพภะก็ได้ทั้งหมดไปแล้วสิบสองรูปที่เหลือก็เป็นชายกับหญิงอีกเป็นบวกอีกสอง จะชายหรือหญิงก็ตามก็มีชีวิตเลี้ยงเลี้ยงดูชีวิตดูแลรักษาอันนั้นก็เป็นชีวิตนี่คนมีชีวิตเนี่ยมันต้องเดินได้พูดได้สิใช่ไหมอันนั้นก็เป็นวิญญาณเนี่ยนะกายวิญญาณว จ, จีวิญญาณเนี่ยนะทีนี้ร่างกายมันก็เป็นมีช่องอัน น, นัช่องเช่นช่องหูช่องปาช่องตมูกเป็นต้นนอ่อันนั้นก็เป็นอากาศเรียกว่าช่องว่างระหว่างรูปนั่นแล้วก็น้ำเนี่ยในร่างกายก็มีน้ําเป็นส่วนใหญ่อันนั้นก็เป็นอะโปธาต รู ป, ปรกายที่เป็นไปได้ก็ต้องมีความเบาความอ่อนแล้วก็ความควรแก่การงานร่างกายก็ไปได้ส่วนร่างกายเนี่ยมันสืบเนื่องกันม า, างไงตั้งแต่เกิดเรียกว่าอุปจยะสืบต่อมาเรื่อยเรียกว่าสันตติชาราชาราตาแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะอันนี้จะตาแตกทำลายแน่แต่ยังไงกายเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันก็ต้องดํารงอยู่ด้วยอาหารเห็นไหมรูปมันก็มีอยู่เท่านี้แหละ แต่ที่เหลือก็ที่มันซับซ้อนบ้าง ก, กว่ามาแบ่งเรื่องสมุดฐานเรื่องตัดใจเรื่องอะไรเข้ามาแต่เท่าเบื้องต้นเนี่ยคิดง่ายๆอย่างเงี้ยก่อนเนี่ยนะเรียกว่าแบบคนเลี้ยงโคให้มันรู้ จ, กจักว่าเรามีโคอยู่กี่ตัวก่อนเนี่ยนะให้มันรู้ได้เท่านี้ก่อนก็ใช้ได้ละซึ่งจริงๆแล้วมันก็นับมันกอยากเนี่นะแต่ว่าภิกษุงโง่รูปนี้ก็เหมือนกับนายโคบานโง่ที่ไม่รู้จักรูปแห่งโคทั้งหลายโดยการนับฉะนั้นเหมือนกันโง่เหมือนกันเลยทําไมอ่ะ เมื่อเธอไม่รู้จักรูปก็ไม่สามารถเพื่อจะนับรูปได้ไม่สามารถที่จะกำหนดรูปได้เช่นทวานตามีกี่รูปสีที่เห็นมีกี่รูปเนี่ยนะก็ไม่สามารถกำหนดรูปได้ว่าทวานหูมีกี่รูปเสียงที่ได้ยินมีกี่รูปกลิ่นจมูกมีกี่รูปกลิ่นมีกี่รูปลิ้นมีกี่รูปรสมีกี่รูปกายมีกี่รูปรับกระทบสัมผัสมีกี่รูปแล้วเวลานึกคิดมีรูปอะไรอยู่บ้าง เมื่อไม่รู้จากรูปเหล่านี้แล้วกําหนดปัจจัยของรูปได้ไหมกําหนดปัจจัยของตาก็ไม่ได้กำหนดปัจจัยของสีก็ไม่ได้กําหนดปัจจัยของหูก็ไม่ได้กําหนดปัจจัยของเสียงของกลิ่นของของอะไรของจมูกของกลิ่นของลิ้นของรสของกายและของผดทัพ่าทั้งหลายได้เมื่อกําหนดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยนะจะรูปไม่รูปไม่เที่ยงเป็นอย่างไรรูปนี้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาอย่างไร analysis เนื่องกันมาอย่างไรแล้วก็แก่ชราอย่างไรความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรถ้ากําหนดรู้รูปไม่ได้แล้วจะกําหนดเวทนาได้ไหมนี่นะกำหนดเวทนาได้ไหมก็บอกว่ า, วาคือถ้าไม่กําหนดรู้วัตถุและอารมณ์ของเวทนาไม่ชื่อว่าเป็นการกําหนดเวทนาถึงจะเจ็บปวดขนาดไหนก็ช่างก็ไม่ชื่อว่ากําหนดรอบรู้เวทนาจะต้องรู้วัตถุของเวทนาและรู้อารมณ์ของเวทนาเพราะเวทนามีผัสสะซึ่งมีอายตนะเป็น ปัจจัยเนี่ยก็รอบรู้ไปถึงภาษาสลายยตนะเนี่ยนะแล้วก็สลายยตนะภาษะแล้วก็ต่อด้วยเวทนานี้ถ้าหาว่ากําหนดอารูปไม่ได้แล้วจะกําหนดปัจจัยของนามทั้งหลายได้อย่างไรเมื่อกําหนดไม่ได้เนี่ยนะกำหนดทั้งรูปทั้งนามเป็นต้นไม่ได้หรือจําแนกขันอายตนะตามทวารต่างๆไม่ได้ก็ยกขึ้นสู่สามั ญ, ญลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นยากกรรมาฐานก็ไม่สามารถถึงที่สุดได้ อันผู้ที่จําแนกแยกแยะเนี่ยนะคำว่านามหรือรูปตรงนี้เนี่ยก็คืออุปาทานขันท่าเนี่ยนะคือเป็นคําย่อที่สุดของของสังขารธรรมเนี่ยนะก็คือสังขารธรรมนะทั้งหมดนับหนึ่งก็ได้คือสังขารธรรมสังคตธรรมเท่านั้นแหละถ้านับสองก็คือนามกับรูปถ้านับสามก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามถ้านับสี่ก็ดํารงอยู่ด้วยอาหารสี่ถ้านับห้าก็คือ อุปาทานขันห้าถนับหกก็เนื่องด้วยทวาวรหกคือตาของกจมกลิ้นกายใจถนับเจ็ดก็เชื่อมโยงกับวิญญาณทิฏฐิเจ็ดเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือสังขารธรรมทั้งหลายเมื่อกําหนดจำแนกแยกแยะไม่ได้ศีลจะเจริญได้ไหมเนี่ยนะเพราะศีลเนี่ยจะเกิดศีลบางอย่างมีรูปมีรูปเป็นอารมณนะ์ไหมปานาติบาศมีอะไรเป็นอารมณ์มีรูปเป็นอารมณ์คือชีวิตดินศีเป็นอารมณ์นะนะอธินาทานมีอะไรก็มีสีเป็นต้นเป็น อารมณ์เนี่ยนะกลิ่นรสเอ่ขอข้ไปพวกสมถาวิปัสนาทั้งหลายมีอะไรเป็นอารมณ์ก็มีอุปาทานขันหา้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเป็นอารมณ์เนี่ยนะพันผู้ที่เอ่อรอบรู้ในรูปทั้งหลายก็จะสามารถเจริญศีลสมาธิวิปัสนาซึ่งเป็นฐานรองรับมรรคผลตรัสรูพ้พระนิพพานในาศาสนานี้เปรียบเหมือนฝูงเอ่อฝูงโคของนายโคบานฉะนั้นแต่ทีนี้ถ้าไม่รู้ล่ะก็เสื่อมจากเป็นศีล สมาธิวิปัสนาเสื่อมจากมรรคเสื่อมจากผลเสื่อมจากพระนิพพานก็เหมือนกั บ, กบนายโคบานที่เสื่อมจากนมสดนมส้มเนย เ, เปรียงเนยข้นเนยไสหัวเนยไสเนี่ น, น, นะก็เรียกว่ากลายเป็นว่าแทบไม่ได้ดื่มน้ำนมโคเลยฉันใดที่สุผู้งโง่เขาก็ฉันนั้นก็ไม่ได้รับรถแห่งศีล จากพระศาสนาไม่ได้รับรถแห่งสมาธิรับรถแห่งวิปัสสนารับรถแห่งสมถวิปัสสน า, ารับรถแห่งมรรคผลนิพพานเลยเพราะอะไรเพราะตัวเองเป็นผู้ไม่ฉลาดในรูปทั้งหลายเนี่ยนะเหมือนอย่างว่านายโคบาลย่อมห่างไกลาจากเบญจโครถฉันใดภิกษุก็ห่างไกลาจากธรรมขันห้าคือกองแห่งศีล ศีลขันกองแห่งศีลสมาธิขันกองแห่งสมาธิปัญญาขันกองแห่งปัญญาวิมุตติขันกองแห่งมิมุติวิมุตติญาณทัศ น, าานขันกองแห่งปัจเจเวขณะญาณอันเป็นอเสขะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เลยเมื่อไม่รู้จักรูปแยกแยะรูปไม่ได้ในโลกชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยมันก็ยาก น, นะนะ จริงแล้วในโลกนี่สิ่งที่มันยาบที่สุดก็คือเรื่องรูปธรรม ท, ทั้งหลายเนี่ยนะมันถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเรื่องรูปว่ารูปมีอะไรบ้างเป็นต้นเนี่ยมันก็ยากแล้วล่ะแต่ก็คือแสดงว่าเราไม่ใช่นักเพ่งเนี่ยนะที่จะวิจัยจำเนกเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอ่าเป็นเรื่องของการพิจารณาเนี่ยนะอาศัยคําสอนที่มีอยู่แล้วก็พิจารณาปรับทัศนคติทําความรู้ความเข้าใจลงในชีวิตจริงก็เท่านั้นก็เพียงพอแล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับว่า คนที่มีตาแยกออกวันนี้สีขาวสีเหลืองสีดำสีแดงฉันใดผู้ที่เรียนรู้เรื่องรูปมาก็ฉันนานเหมือนกันเนี่ยนะก็พยายามที่ประยุกต์ลงมาในชีวิตมาเห็นเออนี้เรียกว่าตานี้เรียกว่าสีนี้เรียกว่าหูนี้เรียกว่าเสียงซึ่งจริงๆแล้วเราทั้งหลายเนี่ยอาจจะจำได้สักส่วนใหญ่แล้วละเพียงแต่ว่ามาจากระบบตามคำสอนนิดหน่อยมันก็ได้ละนนะ จัดระบบได้อีกนิดหน่อยก็พอได้แล้วเพิ่งถ้าเราไม่จัดระบบมันก็ยากเหมือนกันนะที่จะเจริญธรรมะหมวดอื่นหรือที่จะ จ, จำแนกแยกแยะโดยเฉพาะปัจจัยพัเมื่อกำหนดรูปไม่ได้ปั๊บจะจำแนกสมุธฐานของรูปก็ยากเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าเช่นตา ม, มีมีอะไรเป็นสมุธฐา น, นนะหูจมูกลิ้นกายมีอะไรเป็นสมุธฐานบอกว่ามีกรรมเป็นสมุธฐานสีมีสีมีอะไรเป็นสมุธฐานมีสีสมุธฐาน นะแล้วแต่ว่าแล้วแต่สีอะไรอีกทีหนึ่งเนี่ยนะถ้าเป็นสีผิวพันธุ์เป็นต้นโดยมากก็สีสมุทฐานอ่ะถ้าสีของต้นไม้ใบหญ้าก็สมุทฐานเดียวนะถ้าสีหน้าโดยมากก็จิตเป็นสมุทฐานเนี่ยนะแต่ก็หมายความว่าในหน้าน่ยทั้งหน้าเลยแหละมันก็มีทั้งกรรมสมุทฐานจิตตะสมุทฐานและอุตตสมุทฐานอาหารสมุทฐานด้วยถ้าเสียงมีสองสมุทฐานกลิ่นมีสีสมุทฐานเนี่ยนะโพธิภพก็มีสีสมุทฐาน เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่รอบรู้ใส่ใจมณสิการเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสมุดฐานอย่างนั้นแล้วก็ยากจะวินิจฉัยถึงเครื่องความไม่เที่ยงอะไรเป็นต้นก็คือเรียกว่าเป็นคนที่ไม่เข้าใจอะไรเลยเหมือนคนเลี้ยงโคที่ไม่รู้จักโคเลยเนี่ยนะก็เลยเสื่อมไม่สามารถจะจําแนกแยกแยะไม่สามารถจะกําหนดปัจจัยแห่งรูปทั้งหลายได้นะซึ่งรูปทั้งหลายท่านถือว่าเป็นเรื่องที่หยาบมากเนี่ยนะหยาบมาก ในเรื่องของรูปนั้นมีการจำแนกแบบอย่างย่อและก็อย่างพิสดารนะนะจำแนกอย่างย่อก็คือเนี่ยขันอายตนะธาตุเนี่ยนะถ้าผู้ที่ติดในรูปมากพระพุทธเจ้าเนี่ยจะแสดงรูปเนี่ยมากถ้าผู้ที่ติดในนามมากพระองค์จะแสดงนามมากผู้ที่มีตัณหามากพระพุทธเจ้าจะแสดงเรื่องรูปมากผู้ที่มีโมหะมากพระพุทธเจ้าจะแสดงเรื่องนามมาก พวกตันหาจริตพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องรูปมากพวกทิฏฐิจริตจะสอนเรื่องนามมากพวกทิฏฐิจริตเนี่ยนะการแสดงขันเนี่ยโดยมากเป็นพวกทิฏฐิจริตเนะพราะแสดงรูปประขันไว้อันเดียวแล้วที่เหลือแสดงนามเป็นสี่ส่วนแต่ถ้าพวกตันหาอาวิชชาพอๆกันพระพุทธเจ้าจะแสดงแสดงอะไรแสดงธาตุแสดงธาตุ แต่พวกที่ติดรูปมากเลยเนี่ยนะพระองค์จะแสดงอายตนะเอาใหม่นะถ้าติดนามมากแสดงขันห้าเพราะรูปนับหนึ่งเลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนับสี่นามนี่แบ่งออกเป็นทั้งสี่ถ้าหากว่าติดในรูปมากพวกนี้ก็แสดงอายตนะเยอะตาก็รูปสีก็รูปหูก็รูปเสียงก็รูปจมูกก็รูปกลิ่นก็รูปลิ้นก็รูปรสก็รูปกายก็รูปสัมผัสก็รูปธรรมอารมอีกครึ่งหนึ่งเป็นรูป ที่เหลือเป็นนามเหลือเป็นนามก็คือใจกับธรรมมารมใจอันนับหนึ่งอันนะธรรมารมก็นับอีกครึ่งเนี่ยนะมันก็เลยแสดงรูปมากกับ น, นามนะก็คือในหมวดอายตนะเพราะหมวดธาตุธาตุเนี่ยแสดงว่าติดอย่างละพอๆกันะนะเช่นจักขูรูปจักขูวิญญาณแล้วก็ธรรมทธาตุเนี่ยนะมันถวานตาเนี่ยแสดงรูปกับนามพอกันตากับสี เป็นรูปอนะจักขูวิญญาณกระรทำมรธาตเป็นนามเนี่ยนะก็เป็นอะไรเป็นรูปกัรนามนะรูปสองนามสองอนะรูปสองนามสองทวารหูรูปสองนามสองทวารามวาจมูกทวารลิ้นทวารกายเนี่ยนะเบื้องต้นเนี่ยคิดง่ายๆก่อนเนี่ยนะพื้นฐานเนี่ยง่ายๆหรือไม่ก็ท่องวิปัสสนาภูมิลงมาในชีวิตบ่อยๆเนี่ยก็ได้ละอนะใส่ใจในวิปัสสนาภูมิ อ่ะ น, นะในอ่ะ น, นะมาท่องบ่อยๆเนี่ยนะมาคิดคือศึกษาธรรมะเบื้องต้นเนี่ยเน้นทําความคุ้นเคยคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ในชีวิตก่อนเนี่ยนะคือแต่ถ้าเราเน้นแบบเจาะลึกจําได้ทุกเรื่องนะบางทีมันสับสนไปหมดอะไรต่ามาใช้ไม่ได้สักข้อเลยเนี่ยนะที่จริงเขามานี่เห็นคุณของการไปสวดงานศพเมื่อก่อนนี่ขี้เกียจเหมือนกันแหละหลังเขาก็พาไปสวดงานศพ บ, บ่อยขึ้นนี่บางทีมันนั่งสวดไปมันก็เบือ่อ เพอเบื่อทำไงดีเออเราลองมาคิดดูซินะก็ลองมาคิดตามว่าเออสรงเคราะหไอคาที่สวดลงมาในชีวิตจริงดูมีครั้งหนึ่งหลายปีก่อนนู้นเะนี่ยนะไปนั่งสวดงานศพที่อุบลจังหวัดอุบลราชธานีก็ไปนั่งสวดมอนะนะเขาก็บอกเขาก็พาขึ้นสวดะไรกุสลาธรรมะอากุสลธรรมะอาพยากตะธรรมะเนี่ยนะแล้วก็มานั่งเออไอที่สวดเนี่ยอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นอัพยากตะเนี่ยนะ ในขณะที่สวดนี่อะไรเป็นสุขเวทนาอะไรเป็นสุขเวทนาอะไรเป็นทุกขเวทนาอะไรเป็น อ, ท, น อ, นอนทุกขมาสุขเวทนาอะไรมันสัมปยุทธกับสุขอะไรมันสัมปยุทธกับทุกขอะไรมันสัมปยุทธกับอุเบกขาแล้วก็สวดไปเอิ่มก็สนุกดีเหมือนกันเนี่ยนะแล้วก็ปันจักขันธารูปักขันโทเนี่ยในขณะที่กําลังนั่งสวดนี่อะไรเป็นขัน อันอะไรเป็นรู ป, ปขันอะไรเป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันว่าในหัวข้อมาติกาท่านก็ไม่เจาะละเอียดเลยอะไรหรอกก็เอาแค่คร่าวๆก่อนเนี่ยนะแล้วก็สาธยายบ่อยๆแล้วค่อยๆหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็เหมือนกับการสร้างบ้านเนี่ยเราสนใจแต่เรื่องเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่รู้ว่าบ้านเป็นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะมีกี่ห้องบ้านนี้มีกี่ห้อง เพราะปกติเขาขายบ้างเขาก็พูดแต่สามห้องนา้าเออสามห้องนอนสี่ห้องสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวอะไรก็ว่ากันไปเขาจะพูดแต่หยาบๆแบบนี้ใช่ไหมไอ้ฝาผนังของคุณจะมีจิตตกรรมอะไรบ้างมีรูปอะไรประดับกี่สีกี่สันเขาก็ไม่ค่อยคุยกันหรอกก็ธรรมนาเขาก็พูดเรื่องหยาบๆก่อนฉันใดเรื่องเรื่อ ง, อ ง, องการศึกษาธรรมะก็เหมือนกันอันสาทยายไว้ก่อนเนี่ยขันมีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเออในชีวิตเราเนี่ยขณะเนี้ย อันไหนเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปอะไรเป็นเวทนาอะไรเป็นสัญญาเป็นสังขารแล้วก็เป็นวิญญาณเนี่ยนะไม่ต้องหาคําอธิบายที่มันซับซ้อนมากอย่าไปเจาะละเอียดยิบจนถึงโน่นอะ่ะแม้ในจิตตุก บ, บาทหนึ่งมีจิตเจตสิกกี่ดวงเนี่ยนะไม่ต้องไปนหนักขนาดนั้นหรอกเนี่ยนะภาษาริบุตรท่านยังกําหนดได้ไม่ครบห้าสิบสองดวงเลยเนี่ยนะนี้ต่อไปอ่ะแล้วก็จักขวายตนะรูปลายตนะเนี่ยนะตัวนี้ก็เริ่มแต่นะ่ ถ, ถ้าถ้าสาธยายอายตนะใช่จักขวายตนะรูปายตนะเนี่ยนะโสตายตนะศัทธายตนะก็มีอะไรอายตนะคือตาอายตนะคือหัวอายตนะคือจมูกอายตนะคือกลิ่นอายตนะคือหัวอายตนะคือเสียงอายตนะคือลิ้นอายตนะคือรสเนี่ยนะมันนั่งก็คือนั่งคิดไปเนี่ยนะนั่งคิดไปเอออะไรเป็นอายตนะอะไรเอาความรู้ความเข้าใจทั้งหมดลงมาในชีวิตจริงเนี่ยนะและอายตนะแปลว่าบ่อเกิด แปลว่าบ่อกเกิดเออตากับสีเนี่ยมันบ่อแห่งอะไรก็บ่อแห่งบ่อเกิดของจิตและเจตสิกมันคิดอะไรมัง่งเมื่อตามองเห็นเนี่ยนะเมื่อตามองเห็นคิดอะไรมั่งนั่นแหละพัาะนตากับสีจึงเป็นบ่อเกิดของความคิดหูกับเสียงเป็นบ่อเกิดของความรู้สึกนึกคิดเดี๋ยนะแล้วมันมีความคิดอะไรบ้างล่ะจมูกกับกลิ่นเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้สึกนึกคิดลิ้นกับรสเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้สึกนึกคิดกายรับกระทบสัมผัสก็เป็นบ่อเกิดแห่งความรู้สึกนึกคิด ใจมันคิดก็เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกนึกคิดอีกทีหนึ่งนะก็เริ่มก็กลายเป็นอายตนะสิบสอง